สังเกตเห็นอะไรไม่รู้ของอาจารย์กุวิดยนะ์ะท่านก็เรียกอาจารย์กุลไปถามที่วันสนามในถามอาจารย์กุวิทย์ว่าทำโผมได้ยินเขาว่า ป, ปันจะทำ ป, ะป้าปันทำเป็นทำยังไง อ, อาจารย์กุวิดก็ไปค้นไปค้นวัฒจบิดอบใหญ่เลยไปคนมา ไปคุสักพักยังไม่ทันเสร็จหลวงพ่อมาแล้วอ๋อผมผมรู้แล้วผมรู้แล้วอ <c oughs> นั่นแหละคุณไปไปช้ามาช้าก็อย่างนี้แหละนั่นแหละทำเครื่องนึ่งช้าท่านว่าคือ <c oughs> ท่านได้หักหักมุมแบบนี้บ่อยจันทร์ ก, ก็วิ่งสะท้านเลยสะท้านว่านะท่านยันขยานอ่ะครั้งหนึ่งท่านไปติดอารมณ์อยู่ทางใต้ต้องไปทําไอ้อะไรที่สงขา ต่นนั้นก็ขอหาดใสา่แก้วอาจารย์กวิธันลงไปพักที่นั่นแต่ติดอาร์หลวงพ่อรู้อาจารย์อารมณ์อาจารย์นักวิธติดอารมณถ้านั่งรถจากกงเทพลงไปถึงน่นเลยนะพูดกันเสร็จเท่มร้อยก็ทั่งก็นั่งรถกลับกรุงเทพเลยงั้นเลยอาจารย์กวิธมีมุกอะไรหลายอย่างที่เล่าถึงเหลวงพ่อเทียนความนี้ต่างจริ ง, รงท่านก็เห็น อาจารย์กวิทจะไปติดตำราตำลาติดอัตราติดการพูดการสอนอะไรต่างเนี่ยมันเป็นปัญญาธรรมชนิดหนึ่งในที่นี้จะสอนกันโดยตรงเนี่ยคนที่รู้แล้วอะไรบ้างแล้วจะบอกโดยตรงมันก็เรียกว่าเหมือนกับไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้รู้ะนะท่านเคยถามแบบอยากจะรู้เรื่องนี้แต่ว่าเปนคนมาจริงๆท่านบอกเออเพิ่งจำได้เพิ่งนึกได้ วันต่อมาท่านก็อธิบายเรื่องปัจจัญจธรรมทำให้เนิ่นช้าเนี่ย ป, ปัญจจัชนั้นเองก็ท่านใช้คำคำนี้เพื่อที่จะเตือนเตือนผู้ที่ได้รู้ธรรมระดับหนึ่งแต่ว่ายังเป็นกุปปธรรมอยู่มันไม่ใช่อกุปปธรรมกุปปธรรมโมก อกุปธรรมโมปริหานธรรมโออปริหานธรรมโมเจตนาภพออนุรักษนาภโพที่เดาสวดว่าปะปัญจธรรมเนี่ยเ <c oughs> มื่อคนได้ภูมิธรรมเบื้องต้นได้กุศลธรรมเบื้องต้นตั้งแต่พระโสดาสกินราคาขึ้นไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คิดว่าตัวเองสบายแล้วก็ประมาทก็ไปทำงานเยอะไปรับผิดชอบเรื่อง กิจการงานสารพัดงานพัฒนางานสงเคราะห์งานศึกษางานแะไรต่างๆพอนานเข้านั้นเข้าเมื่อเขได้ทําความเพียรทํามันก็เลยกําเริบเลยเนี่ยทากําเริบมันยังไม่ได้ถึงผลมันยังเป็นมักอยู่นคนก็มาติดอยู่แค่นั้นติดอยู่แค่พระโสดาก็ไปต่อไม่ได้ละเพราะก็จะรู้ว่าจะไปต่อสุขภาพไม่ดีละโมไปทำงานไปติดโน่นติ ด, น, ตดนี่นะ ก็เลยว่ามันมีอยู่ว่าทั้งสี่ข้อ ป, ปัจจัยธรรมนะราคาโทสะตัณหาห้าข้อตัณหามรณะทิฏฐิแต่ความจริงตัวสําคัญคือตัณหามรณะทิฏฐิฉะนั้นพวการาคะโทสะก็เลยปัญจัยธรรมทามันนุ่นชาห้าอย่างราคะโทสะตัณหามรณะทิฏฐิอันนั้นเองก็ มันเป็นทางกิเลสอย่างหยาบก็กิเลสอย่างกลางมาบวกกันมันเลยดําไม่ช้าเพราะกิเลอย่างหยาบเนี่ยมันมันร้อนคนก็จะรีบออกนะรีบออกพยายามทําความเพียรพยายามบางเป็นตะบะแดงต่างเพื่อจะออกราคาโทรศัพท์เมื่อทําไประยะหนึ่งเพื่อเขาเข้าใจรูปนามระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็เห็น รูปเห็นน้าก็เท่าทันสติมีสมาธิระดับหนึ่งทำให้ราคาโทสะหมราค า, าโทสะเนี่ยมันเบาบางลงแต่โมหังยังไม่หมดนะมันไมายควาว่ามันมันถูกถ้าหากว่าเป็นหักก็มายควาว่ามันผ่านอากาศร้อนจนเหี่ยวไปยุบไปอ่ะพอมาได้น้ำใหม่ก็งามขึ้นมาอีกอย่างนี้ นั้นพอตัวที่เป็นราคะนั่นก็เปลี่ยนมาเปนดัญหามานะก็คือตัวโทสะที่เราพัฒนากันนะไปจากโทสะมานะเนี่ยเพราะฉะนั้นราคะโทสะเป็นกิเลสอย่งายงยากดัญหามานะก็เป็นกิเลอย่างกลางแต่ทิฐิตัวนั้นพัฒนาไปจากโมหะนะพัฒนาเพราะนั้นพอเป็นกิเลสอย่างกลาง ก็เป็นตัณหามา n ะ t ิ t h ิที่ทำให้เนึ่ช้าเพราะว่าเราไปไปคือมันจะจะดีก็ไม่ใช่จะร้ายก็ไม่ถิงอ่ะมันจะได้ระดับกลางกลางี่ะระดับกลางแต่จะว่าทอดอจากน้นเมื่อกีระดับละเอียดคืออาสวะใช่ไเพราะฉะนั้นด้วยความที่ว่าพอทนได้สบายๆเนี่ยเมื่อก่อนตัณหา ราคะโทสะโมหะรุนแรงอยู่ก็รู้สึกเร่าร้อนเป็นทุกข์ก็ปลุกความเพียรทำกรบะจนกระทั่งว่ามันลดลงไประดับหนึ่งแปลสภาพมาเบากว่านั่นเป็นตัญหามานาทิฏก็เลยทําให้กิเลสเนี่ยปานกลางก็ทําให้มีสติปัญญาศีลสมาิปัญญาระดับหนึ่งะเมื่อราคะโทสะโมหะลดความหยาบลงเป็นแบบกลางศีลสมาธิปัญญา ใจสีขาก็เริ่มปรากฏแต่มันปรากฏไม่มากเพียงอ่อนๆก็รู้สึกสบายที่พอแล้วพอสบายคนก็ผู้ปฏิบัติก็เริ่มประมาทนะเริ่มเอาไปทำการทำงานสนุกแต่ด้วยที่ความเพียรยังอ่อนไม่ประลุความเพี ย, ยไรได้เรื่อ ย, อยอมันก็เลยทำให้ตัวกิเลสมัน อาสวะที่ไม่งอกงามมันก็ยิ่งงามยิ่งขึ้นแล้วกุศลธรรมที่เคยงอกงามก็ค่อยอ่อนตัวลงไปดัง น, นั้นท่านก็เตือนว่าให้มีช่วงแรกเมื่อสิ้นอาสวะท่านจะว่าอปปกิโจนะเวลาเราสวดในกรณีอปปกิโจจะสันเลหุ ก, กัปุติสันตินริโยะนิปโกจะอปปคโพนะตรงนั้นเป็นองคุณที่ จะนําไปสู่ตัวอกุปธรรมนะอภิคิ จ, จแปลว่าเป็นผู้มีกิจธุระน้อยอภิคิจจะสัน ล, ล, ลหุกะวุตติมีความประพฤติเบากายเบาจิตนะชอบอยู่ที่ส ง, งัดวิเวกสัน ล, ลหุกะวุตตนะิละหุเบาประพฤติมีกิจธุระน้อย กริยมาดกุสเดนยันตังสันทังพระทังอะภิสเมจักโกอุชุจหุสุจชุวโจุจสะมุทุอนาติมานีเป็นผู้อ่อนโยนไม่มีอติมนะสันติตรโยเป็นผู้อินทรีสงบรลกงับแล้วมีปัญญาจะนิปโกมีกิจธุระน้อยหมายก็ว่ามันไปวุ่นวายเรื่องทาง โลกทางทําอะไรมากเกินไปจาสรสารุโภคบตริสันติจั น, นิปะโกมีปัญญาคํำว่านิปพะกาะปัญญาเนี่ย <c oughs> ในส่วนปัญญามีหลายระดับ แ, แต่ปัญญาที่จะนําไปสู่เนี่ยมันมีคําว่าศาสชายิีกัปัญญาปริหาริกปัญญาแล้วนิปพะกาะปัญญาไอ้ตัวนิพกาปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาที่จะนําไปสู่ตัวมรรคตัวผล นับไปสู่ตัวการดับทุกนิพกะธรรมเนี่ยสชาติกาปัญญาปัญญาที่ได้แต่พ่อแต่แม่บรรพบุรุษที่ทําให้เราเกิดมาเนี่ยท่านเป็นคนผู้รู้ผู้ดีมีการศึกษาแล้วมาก่อนลูกเต้าออกมาก็พอได้ของลูกเป็นครูอย่างเงี้ยลูกพ่อแม่เป็นครูพ่อแม่เป็นหมอลูกบางทีะะได้รับเป็นเสือเป็นหมอพ่อแม่เป็นนักกฎหมายอย่างเงี้ยลูกส่วนนั้น็เรียกว่าสชาติกาปัญญาพ่อแม่เป็นช่าง ลูกเขพออกมาจะเป็นช่างหรือเก่งกว่าอย่างเงี้ยพอบริหาริรกัปัญญาบางคนพ่อแม่บรรพุรุษนะไม่ได้จบอะไรมาเป็นชาวไร่ชาวนาจบปีแต่เป็นคนที่มีไม่มีโอกาสทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในวิชานั้ น, น, นทนํานาก็ทําได้ดีทําไร่ก็ทําได้ดีทําสวนก็ทําได้ดีเนี่ยทำหน้าที่การงานอาจจะทำได้ดีแต่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา แต่ทําหน้าที่แบบชาวบ้านเนี่ยเป็นคนที่รู้จากการพัฒนาพวกคน้นพบอะไรต่างๆนี่นะในชาวไร่ชาวนาวของเราเนี่ยที่การเกษตรก้าวหน้ากับพวกอาศัยปัญญาพวกนี้แบบพ่อแม่เคยเป็นเกษตรกรรมเมื่ก่อนทีนี้พอชั้นลูกเนี่ยไอ้เรื่องที่จะมาทําเกษตรกรรมเหมือนพ่อเนี่ยยุคมันพัฒนาไปแล้วก็มาเรียนต่อมาเรียนต่อก็ประกวดว่าได้ปัญญาระดับนั้นมาบริหารเอา ขยันมันเรียนค้นคว้าศึกษาแม้ว่าพ่อแม่จะไม่ได้เป็นข้าราชการระดับใดก็ตามแต่คนที่ลูกเกิดออกมามีประหาริเรีกปัญญาคือได้ทุนมาจากพ่อแม่เอามาบริหารเอามาบริหารขนขวายเรียนเองศึกษาเองพ่อแม่ยากจนแต่ขยันมาเรียนจนได้ทุนอย่างเงี้ยนะได้ทุนการศึกษาเนี่ยปัญญาระดับนี้ครับมาบริหารเองแล้วก็ เดีมามีโอกาสได้เรียนรู้ทางธรรมะศึกษาธรรม ะ, ะผ่านร้อนผ่านนาวมาเยอะก็คนขแขวแสวงหาความสงบ ก, ก็พัฒนาตัวปัญญาที่เคยบริหารหน้าที่การงานมาดีๆพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมานั่งาภาวนาจเจริญสมรภะภาวนาวิปัสนาภาวนาก็เปลี่ยนปัญญาระดับให้เป็นนิปปะกะปัญญาปัญญานั่นก็จะเป็นไปเพื่อการาดับทุกข์ดับกิเลสตัดกิเลสได้นะ นั้นตัวปปัญญธรรมเนี่ยก็ใช้ปัญญาระดับทั้งสามระดับเนี่ยเข้าไปช่วยพัฒนาประจลระดับจนกระทั่งว่าถึงความวางวางใจตนเองว่าเออทาที่ได้ถึงแล้วจะไม่กำเริบอีกแล้วนะถ้าหากว่าทํางานระดับหน่อยทําถ้าจะกำเริบป๊อกก็กลับมาหาความเพียรใหม่ถ้าลักษณะนี้ก็จะไม่เป็นปปัญญธรรมมันก็จะเป็นพัฒนาไปสู่อสวะ เพราะนั้นในบทธรรมหลายอย่างที่เลยสุดมันบ่งชี้ถึงตัวนี้ด้วยนะที่ว่าจะให้รอดพ้นกว่าปัญจะทรมอะ ไ, ไงเนะี่ยจะหุนลักษณะสบุคกวุติสันติใ น, นิปโกจะอัปปะคัโพอัปปะคับโพแปลว่าอะไรคือไม่มีคันแต่ในภาษาสํานวนบาลีเขาว่าอัปปะคับโพมีกิ่ทุรลน้อยพุทธบอกกายวาจิต แล้วอปคัพโภคือตามนี้แปลว่าไม่มีท้องอ่ะนะคำศัพท์เพากไปว่าท้องใช่ไหมแต่ที่นี้ในนี้เขาแปลว่าไงอปะอปคัพโภเป็นผู้ไม่ขนองไม่พวพันุ์ไม่ขนองไม่พวพันธุในสกุลทั้งหลายอปะคัพโภกูเลสุนันุกิโตไม่ขนองหมายความว่าไม่สุกสนนะนะ บางคนพระปฏิบัติแล้วพ อ, อมีชื่อมีเสียงอะไรก็เรียกว่าจะมียศมีลาบแล้วก็ทําอะไรก็ดูเหมือนน่ารักให้หมดคนนับถือนี่นะเพรานี้นก็ทําอะไรพิเรนพิเรนชุกซนพาทําโยมโยมก็เคารพนับถือว่าท่านมีทําทําอะไรก็ดูดีไปหมดอะในช่วงที่นะ นนก็เรียกว่าเป็นผู้ขนองในสกุลทั้งหลายเข้าใจสกุลได้ก็คุ้นเคยประมาทก็เงินก็ทองเรื่อยๆรลยได้สบายตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ถ้ามีไม่ไม่เข้าไปพัวพันในสกุลทั้งหลายเป็นทําเนินช้าคือนับตัวที่นี่ไปนับตั้งแต่มีกิจธุระมากเกินไปนะไอ้ตัว อมีกิจธุระน้อยประพฤติเบากายเบาจิตอปะปาคิจโจไม่ประพฤติเพื่อให้เบากายเบาจิตเป็นปะปัญธรรมสันติธ น, นายโยอินทรีย์ไม่ค่อยสำรวมอินทรีย์สันติโยชนิ ป, ปโกจ ะ, สะแสวงหาปัญญาเพื่อจะออกจากทุกต่อไปขั้นต่อไปก็ไม่ค่อยสแวนะสแวงหาละไปแสวงหาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องไอ ถ้าให้ลาบสการะเกิดขึ้นอย่างนั้นเถอะความก้าวหน้าทั้งโลกทั้งอะไรต่อไปเนี่ยไม่แสวงหาปัญญาไม่ไม่แสวงหานิปกะปัญญาก็เป็นปปัญจะทมจะปะกิจโจจะสรุกกุตติสันตินตริโยจะปะขปะกิจโจจะสนุปขปะโหนะเป็นผู้ขนองในการอยู่การกินไปนู่นไปนี่ เที่ยวนอนเที่ยวนี่ของพระเราเส่นใหญ่นะขนองไปเที่ยวแทนที่จะไปทุดดงไปกรรมาฐานไปสแสดงธรรมไปอะไรต่างก็หาเรื่องไปเที่ยวตรงนูง้นตรงนี้ขนองมือขนองเท้าอันนี้ก็เป็นปะปัญจะรรมด้วยเหมือนกันนะเพราะในในในกรณีแม่แต่สูตรเนี่ยพูดถึงเรื่องเท่าจะว่าที่จะทําให้เกิดปบปัญจะรมถ้าหากว่าเราสวดสวดผ่านไปโดยที่ไม่เอามาพิจารณานะโอ้ มีไว้หมดแล้วในส่วนเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่แปลเราจะไม่รู้ความหมายเลยนะเพราะในตรงนี้ยเวลาถึงบอกว่าถ้าเราเป็นการสวดแล้วจะต้องเอามาเอามาใช้นะถ้าไม่เอามาใช้แล้วก็มันจะทําให้เราขาดโอกาสนะที่ว่าเราท่องได้อะไรได้แต่ว่าขาดโอกาสในํามาใช้ จะน่าจะคู่ทางวินยูชนตีเตียนนะด้วย ก, กรรมวันไดไม่พึงประพฤติกรรมนั้นนะนี่ส่วนที่จะสิ่งไหนที่ชาวบ้านเห็นว่าเป็นชาวบ้านไม่เลื่อมใสไม่จะตีเตียนเนี่ยก็จะไม่ทำวันนั้นแต่ถ้าหาาคนเราเพลินหลงแล้วเนี่ยก็จะไม่ระวังในเรื่องนี้จะทําอะไรก็ดูเหมือนว่าอ่าไม่ต้องเปลียนใจ ญ, ญาติโยมนะแต่ ถ้าจะให้พ้นจากประปัญจจำต้องแผ่ไมตรีจิตแผเมตตาเยอะๆหน่อยแผ่เมตตาเพื่อให้จิตใจเนี่ยอ่อนโยนลงแล้วกลับมาตั้งต้นตั้งแต่ต้นนี้งใหม่อตั้งแต่อปกิจโจใจสั่ลหุนไ้ไปประพฤติวิกฤตุละน้อยประพฤติเบากายเบาจิตไปเรื่อยๆก็จะแก้ทําชิดนี้ได้ตัญหาราคะ ปัจจลาคะโทสะตัณหามานาทิฐิปปัญญามห้าข้อนมัก็จะลดลงเรื่อยๆนี่วิธีแก้มันต้องมาดูที่กรณีไม่ได้สูตรนะเพราะฉะนั้นเป็นชาวบ้านก็แน่นอนเรื่องปปัญญาธรรมมีเรื่องอีลงจุงนังไปหมดใช่ไหมเขจะออกก็ยากเรื่องพูดถึงเรื่องครอบครัวนี่นะขัวครอบก็เรียกว่าโดนปปัญจะทําไปเต็มที่แต่หากว่ามา บทแก้ทำไงเข้ามาลดราคะโทสะปะัญหามณทิตถีลงลดอย่างไรก็มาตามที่ท่านกล่าวไว้ในในเนี่ยตั้งแต่กลุล บ, บุตรต้องเป็นผู้อาถารผู้ชื่อตรงมาจนเจ้างดฐานสันตุสกสัจฉพโลเป็นผู้สันโดดเลี้ยงง่ายแก่จากตรงนี้ไปเรื่อยๆจนไปถึงก็ว่าแผ่เมตตาก็จะฟื้นจาก การเนิ่นช้ามาเป็นเร็วได้ถ้าไม่แก้ด้วยทำชุดนี้ก็จะยากอยู่นะเพราะว่าคนเราช่วงต้นที่ปะลุกความเพียรมาเต็มที่นี่ว่าเต็มที่แล้วทําเต็มที่แล้วก็เลยประมาทพระพุทธเจ้าท่านบอกกระดับใดที่อาสะวะอาสะวะยังไม่หมดสิ้นไปนี่ประมาทไม่ได้เพราะมันยังมีรากฝังอยู่ใต้ดินพราะมันได้น้ําได้ปุย๋ยตาม ฤดูกาลแล้วมันจะงอกงามขึ้นมาได้อีกเหมือนพวกหัวมันแก้วในสมัยที่แล้วเมื่อก่อนเราปลูกไอ้หัวมันมันมันมันแก้วแดงนะหน้าแรงมันก็ใกล้ฝนมันก็งอกโผล่ขึ้นมาใหม่นะไอ้ตอนนี้เคี่ยวมันวายหมดเราพอเอาเลือเคี่ยวไปเราขุดหัวไม่หมดเนี่ยนะพอหน้าใกล้หน้าฝนก็งอกขึ้นมาใหม่ลักษณะเดียวกันมันมีหัวบ่มอยู่ข้างใต้ก็คืออาศวะรค์ที่มันบ่มอยู่ใต้ดินะได้ นำอยู่แล้วก็ต้องขุดเอาให้หมดนะว่ากันแถอะนั้นจะเห็นว่าการที่นักปฏิบัติของเราทั้งหลายไม่ไว่าพระว่าโยมเนี่ยตามที่มาสังเกตดูในทั่วไปเมื่อทำให้ราคะโทสะโมห oh ะลดได้ระดับหนึ่งเนี่ยก็กจ็จะทำงานละเพราะว่ามันเป็นอะไรความต้องการของสังคมยิ่งสมัยนี้พระเรามีน้อยพระที่จะพูดจะสอนจะนาพาปฏิบัติ ก็ยิ่งยากอีกแต่ขณะเดียวกันโยมที่เขามีปัญหาได้รับการกระทบจากภายนอกมากมายก็หันมาหาที่พึ่งพวกที่เขาเป็นคิดเป็นอิสลามเขาก็หาที่พึ่งทางพระเจ้าขาขอโน่นขอนี่นนไปแต่ทางเราเนี่ยมันไม่ได้มีพระเจ้าก็หาที่พึ่งเอาพระสงฆ์องค์พระเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งเอาพระสงฆ์เนี่ยเป็นแทนพระเจ้าไปเลยนะแล้วก็พระสงฆ์องค์พระเจ้า เราก็ทีนี้ถ้าหากว่าผสมองค์เจ้าเองไม่มีภูมิธรรมภูมิปัญญาที่เข้มแข็งเนี่ยก็อาจจะเขาจะพึ่งไม่ได้เพราพึ่งไม่ได้ก็ต้องหาเรื่องทำสงเคราะห์โยมไปทางอื่นน่นนี่สงเคราะห์โยมด้านที่มันง่ายด้านการสงเคราะห์เรื่องโน้นเรื่องนี้ไปทำกิตทำโน้นทนํานี้มันก็ทําให้พระเนี่ยกลับเป็นได้รับประปัญญาธรรมคือเนินช้าในธุระของตัวเองซึ่งเป็น คันธธุระและวิปัสนาธุระส่วนกิจธุระนี่ก็มีแต่ว่าคันธัตธุระและวิปัสนาธุระต้องต้องเข้มแข็งเอาไว้อาเดเพระนั้นเรื่องนี้ก็ยุคสมัยนะขึ้นกับยุคสมัยว่าจะทําให้เราเนื่องช้าได้ง่ายมากเพราะว่าโลกนี้มันเจริญได้วัตถุเพราะวัตถุนี่เป็นเรื่องของสังขารสังขารทั้งหลายมันก็มีการแปรปวนยิ่ง ยิ่งสังขารมากนีวัตถุมากความแปรปรวนก็ต้องมีมากความแปรปรวนมีมากเราก็ต้องวุ่นวายบริหารจัดการนะเยอเมริกาก็ยิ่งวัตถุสูงกว่าเราอีกหลายเท่านะบ้านเราในหน้าร้อนก็ไม่ถึงก็ไม่ต้องใช้แอร์หน้าหนาวก็ไม่ถึงต้องใช้ฮิตมันก็ไม่มีสังขารเพิ่มใช่ไหมแต่มาอยู่เมกาในสังขารมันพิ่มเพะอะเพราะเงื่อนไขานทางมุสาเงื่อนไขาทางด้านอาหารการกินเงื่อนไขาทางด้าน กรรมการกระทำจิตอุตุอาหารเนี่ยเงินขยทย้งสี่อย่างมันเพิ่มสังขารขึ้นสังขารก็หนักงานก็หนั ก, ก, นกขอนขวายเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าปลาอาหารเราจะหวานจะปลูกจะหุงจะหาเองก็ไม่ได้ น, ะ น, นี่แต่ว่าทางพระบร น, นอกเราบางทีแล้ว่าเรียกว่าปลูกต้นไม้ใบยา ก, กันเลี้ยงครัวได้นะแต่แล้ววัดก็มีสวนครัวแต่ที่นี่ยากอะ่ะ เพราะว่ามันเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศด้วยเพราะฉะนั้นพระเราก็ขอนแขวายในกิจการอันนี้นเพื่อสงเคราะห์ชาวบ้านก็ทําให้เนึ่นช้าเพระนั้นมักผลที่มันจะไปได้เร็วก็ช้าไปนะอันนี้ส่วนหนึ่งเราเกิดมาในยุคสมัยที่มิจฉาทิฐิมันเยอะไอ้ความเนึ่นช้าก็เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะพระในโยมเ อ, เองเหมือนกันนะสมัยก่อนอเรียกว่าเข้าวัดกันเยอะมีเวลาอยู่กับวัดกับว่าได้ฟูฟักรักษาศีลสัสมผัิปัญญา พอมาอยู่ในประเทศนี้ในยุคสมัยนี้เนี่ยเมื่อวัตถุมันเยอะก็ต้องขวนขวายวัตถุเยอะมันแปลปวนเปลี่ยนแปลงความแปลปวนที่ในไอ้ทรัพย์สินสมบัติของเราเนี่ยใช่ไหมไม่แต่แต่ว่าเรามีเงินธนาคารเราก็ยังจะแปลปวนอยู่เอาไปมาเอาใจใส่ใพวกอผันปวัชุทั้งอื่นเฉยเลไอย่างเงี้ยนะก็ต้องก็ต้องมันแปลปวนอนะ่ะ <c oughs> เป็นสังขารเราก็ต้องแปลปวนไปกับมันต้อง คอนคขวยต้องดูแลในที่สุดคนที่มีนิสัยทางธรรมจะเกิดสลดสังเวชโอ้ชีวิตทั้งชีวิตกูก็จะมาปั่นป่วนวุ่นวายกไเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างนี้เนาะก็เกิดความสลดสังเวชขึ้นมามุมานะทำความเพียรใหญ่ในเดี๋ยวนี้ทเนื่นช้าก็กค่อยหายไปหายไปหายไปเพราะนั้นถ้า คนที่รู้ตัววันนึงช้าปั๊บกลับมาทวนสูตรนี่ใหม่กรณีไม่ได้สูตรนีนะก็จะสามารถฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะกันผีได้ผีมันหลอกผีกิเลมันหลอกสมัยนั้นพระพุทธเจ้าพระบอกว่าพระจำนวนมาก <c oughs> ไปปรอบความเพียรอยู่ในป่าทรรมอาณนะาปณะสติกันปรโกฏโอ้เกิดมีผีมาหลอกมาหลอนไม่เป็นอันปฏิบัติกัน เพราะว่าออกมาและปินป้นปิ้นตาหลอกหลอนในต่างๆทำให้เดือดร้อนไม่เป็นอนธรรมความเพียรก็มีคนไปบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มาบอกเปลี่ยนกรรมาฐานใหม่มาเจริญอันนี้แหละเจริญอเมตตาในกันในมติตรสุดตั้งแต่เนี่ยตั้งแตุ่ดว่าโจอเจสัมมุทุอนาติมานีสันตุสโกเนี่ยไปละ น, นั้นคำว่าผีอาจจะตีความหมายได้สองอย่าง <c oughs> ความหมายในแง่สมมุติก็คือที่ที่ไปบำเพ็ญตรงนั้นไม่มีนักบวชเคยเข้าไปชาวบ้านแถวนั้นอาจจะเป็นาศาสนาอื่นเป็นอิสลามเป็นอฮินดูเป็นพราหมณ์มาแล้วก็แต่แต่เห็นนักบวชอื่นมาก็ไม่อยากจะให้มาอยู่ในพื้นที่นะอย่างบ้านเราใครพวกคริสเตีมีไม่มี ที่ไปที่มามาอยู่ในบ้านดีไมด่ดีก็ถูกเห็บถูกไล่อย่ง่ายๆใช่ไหมพวกอิสลามถ้าม่มีมูมีพวกมาหรือไม่มีคนนํามาลักษณะชาวบ้านเป็นมิสฉาทิฐิอันนี้ก็เหมือนกันไปบำเพ็ญอยู่ในป่าในแง่ของสมุติพุทธเจ้าก็บอกให้แผ่เมตตาให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เลี้ยงง่ายอะไรต่างที่ในแง่สมมุดนะนะถ้ามันเป็นแบบสมมุติแต่ถ้ามันเป็นปรมัตาท่านเนีจะหมายถึงว่าผีกิเลสผีราคะ โทสะมานะตันหาทิฏฐิเนี่ยมาลุมเร้าจิตใจมารุมเลา้าจิตใ จ, จ, จก็ทําให้ไม่เอ็นเป็นปฏิบัติทําให้เกิดติดอารมณ์ติดนิมิตติดสีติ ด, ต ด, ต ด, สตดแสงเห็นภาพหลอนมาหลอกมาหลอนวุ่นวายไปหมดกรรมาฐานก็ทําท่าใจะไม่ค่อยดีก็มีคนไปบอกพุทธเจ้าพัดไปพาพระปฏิบัติอยู่ในป่าเนี่ยติดอารมณ์ไวุ่นวายไปหมดพระเจ้าค้า บางองค์ก็ทำท่าจะแขนคอตายคาตัวตายจะทําไงดีพุทธเจ้าก็เสร็จไปปุ่ดต่อไปเธอต้องปฏิบัติตามนี้นะสุงหูใจสุงวจวจจะส ม, มุทุอนตฏิมานีสันตุสโคจะสุภโรจะไปกิจูไปก็ไมนได้ไปท่องกรณีไม่ได้สูตรแบบภาพปัจจุบันเขาทำเลยไปอยู่ที่ไหนกลัวว่าผีจะมาลกุกเราท่องกรณีไม่ได้สูตรตัวใหญ่จริงอนเอารามมัมาใช้แต่ความจริงทัานบอกว่าอันหนึ่งไปถ้าแก้ปัญหาภายนอกก็คือไปทําตัวให้ชาวบ้าน ดีทความเข้าใจชาวบ้านให้ดีอันที่สองก็คือถ้ากิเลสมันลบกปนจิตใจก็ต้องใช้บทเหล่านี้แหละนะด้วยความเมตตาต่อชาวบ้านเอาตัวเมตตามาเมตาตาชาวชาวบ้านชาวบ้านก็จะเป็นผู้ที่เห็นอัธยาศัยใจคอของพระก็มาช่วยธนุบำรุงก็ได้พอพระปฏิบัติก็สิ่งที่มาลบกกนด้านจิตใจและอารมณ์ก็จะไม่มี แท่านที่จะมีสิ่งเหล่านี้มาลบปวดทําให้เนื่นช้าท่านก็เอาตัวการันต์มิเตสุนมาแก้ไขนะอันนี้ก็จริงเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยคิดถึงเอานํามาวิจัยบ่อยนะพระอาจารย์ให้โอกาสถา้าเสนอประเด็นบางอย่างเขาเพิ่งนึกออกเนี่ยไม่ได้ใช้มานานนะเพราะฉะนั้นก็น่าจานนะทัศน์น า, ายนี้นะพระอาจารย์นะเนี่ยพเข้าใจนะ มีสงการฟังที่เราเราิดบไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เห็นช่องพอไม่ไม่เห็นช่องพอเราได้ฟังปุ๊บมันก็เหมือนว่าเปิดช่องมันก็คิดออกเลยนี่มันไปได้เลยเหมือนเราหลงทางพอเขามีคนมาบอกหน่อยก็ไปได้มันก็เลยเข้าใจ <c oughs> เข้าใจได้ทันทีว่าไอ้ปปั่นจะทำเนี่ยมันเป็นธรรมที่เนิ่นช้าทิฏฐิก็คือความคิดนั่นเองความคิดอะไรบ้างคิดว่าไว้ก่อนเนี่ยนี่ก็ทิฏฐิอันหนึ่งไว้ก่อนยังไม่พร้อมเดี๋ยวไปทําะไ้นั้นก่อนเนี่ยนี่เป็นทิฏฐิยังไม่พร้อมหนักเข้ามาอีกก็อี่ ครูบาอาจารย์ท่านคงไม่เก่งไม่เห็นมีชื่อเสียงเลยเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเรามันรู้มากอย่างที่เรานายินผู้รู้เยอะเป็นหมอพอคนไปชวนมาวัดมึงอยากรู้อะไรนี่มาถามกูเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยกูรู้หมดอนี่ตัวนี้มันล็อกเหมือนสมัยพุทธเจ้าก็สันชัยปริพาชก อาจารย์ของสาริบุตรลูกสิทธิ์ไปชวนมาเฝ้าพุทธเจ้าก็ไปเถอะเราก็รู้ถูกแล้วความเห็นว่าตนเองถูกตัวเองถูกแล้วไว้ก่อนทิฏฐิไว้ก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวให้รอบก่อนแต่หารู้ไม่ว่าถ้าเกิดไปตายล่ะเราไม่คิด เกิดไปตายก็จบเหมือนที่โยมพ่อโยมแม่ของพระที่ไปบวชกับหลวงพ่อชาจบปริญญาตรีแล้วก็ไปบวชพ่อแม่ไปต่อว่าหลวงพ่อเลยนะมันน่าจะได้ทำงานก่อนน่าจะรับผิดชอบอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยมาบวช ห, ห, หลวงพ่อก็บอกว่าเอา โยมก้อนหินกับเพชรเนี่ยโยมเลือกอันไหนเราเลือกเพชรอา้าวทำไมไม่เลือกก้อนก้อนหินอะ่ะมันไม่มีค่านี่ลูกชายโยมเขาก็เห็นว่าการบวชนั้นมีค่าที่สุดเขาจึงบวชบวชเมื่อไรก็ได้ว่างั้นอะ่ะค่อยบวชก็ได้ว่างั้นอา้าวถ้าเกิดเขาตายก่อนอ ถ้ตายก่อนแล้วเขาจะได้มาบวชเพราะว่าความตายมันก็รอเราอยู่ทุกวันพ่อก็เลยตันเลยไปไม่ถูกเลยนี่นทิฏฐิความเห็นนู่นนี่นั่นมากมายข้ออ้างข้ออ้างนี่ น, นี่ตัวล็อกตัวแรกเลยนี่ในช่วงปฏิบัตินี่ก็มันมาแรง ม, มาแรงคือ ทำตามความเห็นของตนไม่ทำตามครูบาอาจารย์บอกครูบาให้ครูบาอาจารย์ให้ยกมือสร้างจังหวะก็ hmm. ชอบดูลมหายใจอะไรเงี้ย hmm. ไม่ไม่ไม่เชื่อเอาทิฏฐิตนเองก็ hmm. ยอ่อย่อมานะ hmm. ตั ว, ถ, ตวถือตัวถือตนยึดมั่นใน ในตัวเองเนี่ยหลวงพ่อบอกว่ามาจากโทสัตตัวนี้ก็เป็นอัตตาเต็มตัวเลยไม่ยอมมาณนะ์นี่แปลง่ายๆคือไม่ยอมไม่ยอมพอไม่ยอมแล้วมันก็ไปไม่ได้แล้วมันก็ตันไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อไม่ยอมปฏิบัติตามก็มาคู่ พอฟังหลวงพ่อตัวตัณหาหนึ่งเลยโอ้ตัวใหญ่เลยตัณหาปฏิบัติไปปฏิบัติมาอยากไปทำอย่างนู้นก่อนอหาภาระใส่ตัวธุรกิจไม่เป็นไม่เป็นผู้มีธุรกิจน้อยกิจน้อยวางธรกิจกรณียเมเตศสูตรก็คือสันตบฏ สันตังประทางสันตบททางไปสู่แห่งความบริสุทธิ์ทางแห่งความไปสู่ความเป็นภระิะยะเจ้าทางปลอดภัยนั้นพอได้ฟังแล้วก็เข้าใจเข้าใจถึงหลักธรรมตัวนี้ว่าโอ้มันมันบังมันปิดทางจะไปถึงอยู่แต่ช้า มีตัวภาระตัววุ่นวายไปหมดไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดามันเราเป็นตัวแรกที่เราจะต้องศึกษากันให้เข้าใจมันเป็นตัวล็อกเราไว้ล็อกเราไว้ไม่ให้ผ่านไป <c oughs> ความกันหาก็ตัวกังวลเนี่ยตัวกังวล ต, ต, ตัวลึกๆมันคือกังวลหน้ากังวลหลังภาระทางบ้านตัวดึงสติเราไปกังวลตัวกังวลมันมันไม่ไม่อิสระแล้วม <c oughs> ไม่อิสระกังวลเรื่องนู่น เ, เรื่องนี่ไปเรา สังเกตดูเวลาเราเจริญสติตัวนั้นก็แวบบตัวนี้ก็แวบบตัวนั้นก็แวบบ อ, อันหาแล้วในขณะปฏิบัติไอตัวตัณหานี่ก็เกิดอยากเห็นนั่นอยากเห็นนี่ อ, อยากครั้งอยากศักดิ์สิทธิ์อยากเป็นผู้วิเศษนี่ล็อกเลยตายเลย อ, อยากให้รู้จิตคนนั้นอยากเห็นอั น, นิสงส์ของการภาวนาเราฟังมาเยอะ อยากเป็นอย่างครูบาอาจารย์ออยากเป็นอย่างครูอครูบาอาจารย์นั้นปฏิบัติมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนั่นก็ได้แล้วอืบางคนมาปฏิบัติอยากเทศเก่งพูดเก่งเหมือนครูบาอาจารย์ก็มีไปแอบไปท่องนู่นท่องนี่ไปเยอะแยะไปอื่อยากเป็นผู้วิเศษอยากบรรลุ อยากเห็นนามรูปมลัวนี่หรอกหนักเหมือนกันอืมันคือใอ้เมื่อไหร่จะเห็นนามเห็นรูปอะไรเห็นรูปเห็นนาออืมืมเป็นนี่นตันหาตันหาอืแรงใหญ่อืพุทธเจ้าเปรียบตันหาเหมือนน้ําทะเลโยใหญ่แค่ไหนอ่ะน้ําทะเลไม่ใช่น้ําบอลนะ เป็นอย่างนั้น <c oughs> เราได้ปรกธรรมฟังธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัตินี่ห้าสิบเปอร์เซ็นยฟังธรรมนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นรอยประดี๋ทํำคัญมากรอยฟังธรรมตัวช่วยตัวช่วยห้าสิบห้าสิบเลย นั้นในทิฏฐิมานะตัญหาถ้าไม่เจอกัลยาณมิตรก็จบกัลยาณมิตรที่เราสวดเมื่อเช้าเป็นทั้งหมดของศาสนาเลยดึงดึงเพราะลำพังของเราเนี่ยเหมือนรถติดหลมขับขึ้นเองไม่ได้หรอกอต้องไปจ้างเขามาลาบ รถลากนั้นแหละคือกาลยานมิตรเราติดลมอะไรบ้างลมลมก็ติดบ่วงโยมดูสิคนมีลูกมีหลานตายเลยล็อกตายเลยแม้แต่ในโรงพยาบาลพ่อแม่ป่วยเนี่ยยังไม่มีเวลาไปดูเลยตอนไปเฝ้าโยมพ่อมีข้างเตียง ถามพยโยมไม่เห็นมีใครมาเยี่ยมเลยมาดูเลยมีลูกกี่คนสิบคนคนหนึ่งก็นายพลคนหนึ่งก็พออคนหนึ่งก็บิสเนสทำธุรกิจทั้งหมดไปไม่มีเวลาอย่างน้อยให้คนใช้มาลูกไม่มีโอกาสขนาดหน้าที่อย่างงั้นยังไปไม่ได้แล้วทางทำล่ะทางทำ รอมาตอนป่วยแล้วโอ้จบอายุมากแล้วก็จบอย่างที่ท่านหลวงตาอะไรนะท่านจะไม่รับหกสิบแล้วท่านไม่รับล่ะชื่ออะไรนะที่อยู่ขอนแก่นสุริยาสํานักท่านไม่รับแล่อย่างนี้อย่างนี้หมดสิทธิ์เข้าไปปฏิบัติแหละ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้โยม เพราะธาตุขันมันไม่ไหวแล้วเพราะมันต้องใช้แรงยกมือปฏิบัติสองสามชั่วโมงก็หมดแรงเนีก็ไปท่านไม่เอาอท่านไม่รับเป็นอย่างนั้นท่านที่อาคารนี่ททำไมจึงไม่ทำริฟต์เพราะว่าถ้าขึ้นบันไดไม่ไหวแล้วก็ไม่ต้องมาปฏิบัติมัน มันไม่ไหวแล้วอย่างอื่นก็ไม่ไหวแล้วก็ไหนว่าหลวงพ่อชอบคนแก่นี่แหละค่ะเวลาโน้ย <c oughs> เป็นยังงั้นเพราะมันคือสงสารคนแก่นี่ก็ไม่ไ ม, ไม่อะไรหรคือสงสารเพราะวา่าเดี๋ยวมันจะตายแล้วไงยังไม่ได้รู้อะไรเลย นั้นคนที่ตายส่วนมากโยมทุกคนเลยไม่ได้ไปเกิดสวรรค์ไม่ได้ไปเราเป็นเปรตเฝ้าบ้านอยูนั้นเป็นไอจิ้งจกตุกแกนั่นเจ้าของบ้านเดิมทั้งนั้นมันเกิดเพราะมันมาเกิดในเมียไม่ได้อีกแล้วก็ทำมันแล้ว ็เลยไปเกิดเป็นตุ๊กแกเป็นจิ่งจกเป็นหนูเป็นอะไรวนเวียนอยู่นั่นน่ะสังเกตเห็นไหมแถวบ้านเราหนูกัดแต่ผ้าไหมที่ห่อไวอ้ก็ของแกนั่นแหละแกก็ตายเป็นหนูแกก็มามือมันไม่มีจับมันก็ต้องกัดดูว่าของครูยังมีครบไหม <c oughs> เป็นนั้นก็อยู่แค่นั้นเจ้า ว, วานก็ตายเป็นเปรต เป็นเปรตตาแดงเฝ้าวัดโบราณครัว่าเพราะก่อสร้างอะไรก็ของกูสร้างของกูอัตตานยมันแทรกเร็วมากนะกูทํากูสร้างโยมกูอะไรกูหมดเลยไม่ไม่ไปไหนตายไปก็เป็นเปรตเฝ้าวัดห่วงวัดห่วงสักการะห่วงลากเป็นอย่างนั้นเป็น อันไอ้ตัณหานี่แหละเป็นนทีเป็นแม่น้ำใหญ่ใหญ่มาก อ, มอันจะแก้สามตัวได้เนี่ยก็มีวิธีเดียวแค่ น, นั้นไะโยมก็คือเจริญสติรู้สึกรู้มีวิธีเดียวพืมพุทธเจ้าจึงบอกว่าสติเป็นธรรมมีอุปการะมาก ม, มีอุปการะมากถ้าเราไม่เจริญสติ ด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ก็คือแก้อะไรไม่ได้เลยแก้อะไรไม่ได้เลยแล้วสติเนียมถามว่าเจริญวันเดียวได้ไหมไม่ได้ลุงพ่อบอกว่ามันสติเนียมมันไม่ใช่เอาไม้ไปตอกเอาตะปูไปตีที่ไหนมันเหมือนต้นไม้รากมันค่อยแทงแทงไป ไม่ใช่ปลูกวันเดียวแล้วมันโตที่ไหนต้นไม้อันเดียวกันกว่ามันจะต้นโตได้ฉันถามว่าปฏิบัติจะหยุดเมื่อไหร่จะตายนั่นแหละตายตายงั้นเรามันมีทางเดียวกคนั้นแหะที่จะมีมีสติ ให้มีสติได้สติธรรมดาก็บอกเลยว่ามันไม่พอไม่ไม่เพียงพอนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นผู้โชคดีบางคนบอกหมาแมวมันฉลาดมันรู้แต่ว่ามันพัฒนาได้แค่อายุของมันไม่เกินสองปีสอนได้ถ้าเกินสามปีขึ้นไปแล้ว สัตว์เดรัจฉานทุกชนิดสอนไม่ได้แล้วเราหกสิบแล้วยังสอนได้นะมั น, นดีกว่าสัตว์เดรัจฉานตรงนี้มนุษย์แต่สัตว์เดรัจฉานมันจำกัดคนก็เข้าใจว่ามันมันฉลาดแต่ว่ามันสอนอีกไม่ได้แล้วมันก็รู้ได้นิดๆหน่อยๆเท่า น, นั้นแหะแต่มนุษย์นี่รู้หมดท่านเยรุนสติก็ต้องให้ต่อเนื่อง ไม่ใช่เฉพาะในห้องนี้อาบน้ำลุกแต่นู่นแหละรู้สึกตัวอย่างตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยก็สังเกตความหนักความเบาเลยกายนี่มันหนักมากนะตอนตื่นเนี่ยผมไม่ไม่เคยสังเกตเมื่กันหลวงพ่อเทศกันนั้นก็เลยไปสังเกตดูรู้สึกปุ๊บโอ้มันหนักเลย หนักที่สุดคือหัวออที่เราเอามันเดินแบกทุกวันเนี่ยออมันไม่เห็นหนักอะไรพอนอนพอรู้สึกตัวขึ้นมาดูสังเกตดูความหนักความเบาโอ้มันหนักจริงๆเลยนั่นคนตายอยอเห็นไหมตอนเป็นๆ เ, เนี่ยแบกได้นะพุ่มได้ ตายคนเดียวไม่ได้นะต้องสี่คนนะพอตายแล้ววิญญาณออกไปแล้วมันหนักมันนิ่งไงธาตุน้าธาตุาอะไรมันนิ่งมันเลยจะทำให้หนักตอนเช้าก็ได้มาออกกำลังกายได้เดินท <c oughs> ่าน่าร้อ น, นสบายนะเดินวันละหมื่นเก้าทุกวันมันสะดวกสบายนาฬิกาโทรศัพท์มันจับให้เลย เดินวันนี้1มื่นก้าเราเดินเดินไปถึง1มื่นเก้ามันบอกละโอเคเป็นัันมันหนัก <c oughs> พอเราสังเกตจับความหนักความเบาตั้งแต่รู้สึกตื่นมาลืมตาไอ้นี่ยิ่งแต่หนักนะไอขอบตาเนี่ยโอ้โหเราไม่เคยสังเกตไม่รู้หรอก ไปสังเกตสามสี่วันนั้นแต่หนุมพ่อให้สังเกตตอนตื่นนอนแล้วก็เราก็มาสังเกตแต่หนักเบาในขณะยกมืออะไรลืมไปสังเกตตรงนั้นอืมมันหนักมากลืมตาไม่ได้เลยอืมทั้ทงที่ใจมันอยากลุกพอได้เวลาที่เราจะต้องประกอบความเพียรแล้วเนี่ยธาตุขันเห็นไหมมันดึงเราไว้แล้วในขณะที่สังเกตดูความสุขอืม ไอ้สุกในขณะที่จะตื่นเนี่ยมันไม่อยากทิ้งสุกตัวนั้นโอมันดึงแรงอืมก็สังเกตหลายตัวทีเดียวยี่สิบกว่าตัวที่เราสังเกตตอนตื่นนอนได้คอยสังเกตอืมแล้วขยับแขนขยับขาเราสังเกตลุกมาเดินมาแปลงฟันอืมเป็น อ, า, นนอาบน้าําอำให้มีสติตลอดเลยอืมอย่าให้ขาดเอามาในนี้ออกไป เคี้ยวกินเรื่องอาหารเรื่องอาหารนี่อาจารย์ไปบรรลุที่เกาหลีไปได้ความรู้เรื่องการฉันอาหารเราก็สวดทุกวันทาตุมัตโกนี่แต่ว่ามันไม่ถึงวันนั้นไปกลับจากเมืองไทยมาฉันเช้าที่เกาหลีโอ้ยได้ธรรมะตรงนั้นเลยยกมือไหว้ร้านอาหารเลย พอเขาเอาอาหารเกาหลีมาเสิร์ฟพอฉันปุ๊บมันเยน็นก็เยน็นเปรี้ยวหวานอะไรก็ไม่มีไม่มีทุกชนิดเลยโยมก็ <c oughs> เหมือนว่าเอาไอเอาถั่วงอกลวกลวกแล้วก็ไปแช่น้ำเยน็นแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่ข้าวมาให้เรา มันเกิดปัญญาทันทีเลยสามสามเหมือนหลวงพ่อบอกว่าพิจารณาสามขั้นปัจยถาปัยังปฏิสังขารโยอัจฉริยะให้ีแต่ว่าอาจารย์ได้วันนั้นสามขั้นเหมือนกันแต่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวไหนเหระคือตัวแยกแยกเลยโอ้แม่ครัวเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแม่ครัวเขาก็มีหน้าที่ของเขาปรุงอย่างนั้น ปรุงเสร็จอาหารลงมาในถ้วยอาหารมันก็ทำหน้าที่ของมันก็คือหน้าที่ของเขามีแค่นั้นอาหารทีนี้การกินเนีเราก็มาทำหน้าที่ของเราเราจะชอบหรือไม่ชอบเราจะติดใจหรือไม่ติดใจเป็นเรื่องของเรานะไม่ใช่เราพอเอ๊ะปุ๊บโทษแม่ครัวเลยโทษอาหารแม่อ่อยทีนี้มันไม่ได้โทษตัวเอง เหมือนหลวงพ่อข้นเขียนมาเทศที่อเมริกาเนะี่ยท่านเอาไปเล่าเรื่อยโยมหุงข้าวดิบพระก็โวยวายต่อหน้าหลวงพ่อเลยอืว่าทำไมหุงข้าวดิบอย่างโนนอย่างนี้ด่าโยมเลยนะต่อหน้าหลวงพ่อเลยหลวงพ่อบอกพระอเป็นถึงอนาด น, นี้หรือพระท่านเทศไว้แต่ไม่รู้วัดไหนท่านไ ม, ไม่บอกชื่อวัด โวยวายต่อหน้าญาติโยมนหน้าที่เราคืออะไรก็คือแค่กลืนเข้าไปดูว่านี้เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็พอมันกลืนได้นั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการฉันอาหารก็เหมือนพ่อแม่กินเนื้อลูกถามว่าพอใจไหมดีใจไหมคือมันไปในที่กันดานไม่มีอาหารทานก็เลยกินเนื้อลูกไปให้รู้สึกอย่างนั้น เหมือนน้ำมันหยอดพราคขวนพรมพุทธเจ้าคุมลิ้นได้ก็คุมได้หมดนั่นน่ะก็เลยนต้องฝึกแยกไม่ครัวเขาก็ทำของเขาจบหน้าที่ของเขาแล้วตอนนี้อาหารมันก็ทำหน้าที่ของมันเย็นร้อนเปรี้ยวเค็มเป็นเรื่องของอาหารไมงเป็นเรื่องของเราเราก็คุมตัวเราจะไม่โทษอาหารจะไม่โทษไม่ครัวจะ